สาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่กทานวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2559เป็นวันอังคารเป็นวันพระ วันธรรมมสวนรวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบรยสัทจะมาหาความสุขตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันเป็นความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ไม่มีความอิ่มความพอต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะอิ่มจะพอเหมือนกับสงน้ำที่มีรอยรั่วเติมน้ำเข้าไปในต่งมากน้อยเพียงไรน้ำก็จะรั่วไหลออกไปหมดพระพุทธเจ้าสมค้นพบ ความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่เราใช้การปฏิบัติธรรมเป็นการเสริมสร้างความสุขเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราเป็นของเราเวลาเราไปก็ไปกับเราแต่ความสุขทางร่างกายนี้ พอร่างกายตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนะวันพระพระพุทธเจ้าจึง ส, สอนให้พวกเรามาหัดหาความสุขทางใจกันยุติการหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันด้วยการมารักษาศีลแปเพราะการรักษาศีลแปนี้จะห้ามไม่ให้เรา ไ่หาความสุขทางร่างกายถ้าเรารักษาศีลห้าเรายังสามารถหาความสุขทางร่างกายได้อยู่เช่นศีลข้อสามคือการไม่ประพฤติผิดปเวณีหมายความว่าเรายังสามารถหาความสุขจากการน่่มหลับนอนกับคู่ครองของเราได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปด เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอ布 ร, รมจริยาเวระมณีคือเราจะสื้อสินของพรหมนี่กินพรหมจันทร์พรหมก็คือผู้ไม่เสพความสุขทางร่างกายไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนอื่นนี่คือสีลข้อสาในสินข้อในศีลแปด จะเป็นอ布拉 ม, มาจาริยาเวรามานีจะละเว้นจากการหาความสุขด้วยการหลับนอนกับคู่ครองของตนนะแล้วก็มามาถือศีลข้อ6กก็6กก็คือให้เรารับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ให้ลับพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่หิวก็พอเช่นไม่ต้องนับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วตอนเช้านี้รับประทานให้เต็มที่แล้วร่างกายก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงไปจนถึงวันพรุ่งนี้ร่างกายจะไม่เก็บไข้ได้ป่วยจะไม่โอดอยากขาดแคลนถ้าเรารับประทาน ถ้าเราถือสีหห้าเราก็จะรับประทานได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับ ก, การรับประทานอาหารมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขปลอมและก็เป็นโทษทำให้ร่างกายเรานี่มีน้ําหนักมากเกินไปทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มไป แล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตัน น, นี่คือการรับประทานอาหารพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าหาความสุขจากการรับประทานอาหารเพราะมันเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่านั่นเองให้มาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบดีกว่า การจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีเวลาแล้วก็ต้องไม่หลับไม่วงนอนถ้าเรารับประทานอาหารมากเราจะรู้สึกง่วงนอนเวลานั่งสมาธิจะนั่งสับะงบจะไม่สงบนั้นเราต้องถือศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวล กับเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อค่ำเนี่ยตั้งมัวแต่มากังวลมาหาอาหารก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันนั่งก็ไม่สงบเพราะใจจะคิดแต่เรื่องอาหารถึงเวลากินหรือยังจะกินอะไรดีนั่งไปใจก็จะไม่สงบดงั้นเราต้องตัดปัญหาเรื่องอาหาร คืออย่าไปรับประทานมากเกินไปรับประทานพอให้อยู่ได้รับประทานก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องอาหารแล้วอาการง่วงนอนก็จะไม่มีเวลานั่งสมาธิก็จะไม่สับประโคนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่6ศีลข้อที่7ก็คือไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปหาความสุขจาก การดูมหรศบบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงไปงานสังคมอะไรต่างๆเพราะเป็นความสุขประเดียวประดาวกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วสู้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบไม่ได้ใจสงบแล้วจะมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วพอมันจางไป เราก็เติมมันได้ทำนั่งสมาธิเมื่อไหร่เราก็จะได้ความสุขเมื่อ น, นั้นไม่ต้องไปหาสถานที่ต่างๆไม่ต้องไปหาภา พ, พยนต์ไม่ต้องไปหาเพลงมาฟังให้เหนื่อยนั่งสมาธิใจสงบแล้วก็จะมีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการหาผ่านทางร่างกาย ดังนั้นเราต้องถือศิลข้อที่เจไม่ไปหาความสุขจากพวกมหรรศบนเทิงต่างๆรวมไปถึงไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดารต่างๆเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขกลอมนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาล้างหน้าล้างตาเวลานอน ความสวยความงามต่างๆถ้าหายไปหมดเสียเวลาเปล่าๆความสุขก็หายไปด้วยซึ่เอาเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่านี่คือศิ่งข้อที่7ศ็ดิ่ข้อที่8ก็ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะจะนอนมากเกินไปเพราะมันสุขมันสบายมันจะทําให้ไม่มีเวลามานั่งสมาธิกัน ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งแข็งปูด้วยเสือ่อปูด้วยผ้าก็พอท่านพักท่านนอนบนพื้นแข็งนี่เวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนพอได้พักผ่อนแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายสู้มานั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่านี่คือศีลแปด เป็นเครื่องมือที่จะป้องกันไม่ให้เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจความสุขทางใจนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใจสงบถ้าใจไม่สงบนี้ความสุขจะไม่เกิดดังนั้นเราต้องทําใจให้สงบใจจะสงบได้ก็ต้องหยุดคิดถ้ายังคิดอยู่ใจก็จะไม่สงบ จะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดต่างๆเช่นเราเวลาเราท่องพุทโธพุทโธไปอันนี้เรียกว่าเรากําลังใช้สติพุทโธพุทโธไปพอเราพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงกับข้าวกับปลาอาหารไม่ได้คิดไปถึงสถาน ท, ที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้แล้วพอเราไม่คิด ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะได้ความสุขความสุขที่ดีกว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปสองสาวันกลับมานี่หายไปไหนหมดแล้วเหลือแต่ความทรงจำแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่คู่กับเราไปเรื่อยเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ทุกเวลาเพียงแต่หยุดความคิดเท่านั้น เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเดินทางกับการไปตีตั๋วจองที่พักอะไรต่างๆทําหนังสือเดินทางขอวีซา่าขอพาสปอร์ตต้องฉี่ยงฉียาการโรคระบาด <c oughs> เสียเงินเสียทองไปสักสามสี่วันกลับมาหายไปหมดแล้วความสนุกสนาน เงินก็หายไปความสนุกก็หายไปเหลือก็คือความอยากจะไปเที่ยวใหม่เดี๋ยวก็ต้องหาเงินมาใหม่เพราะตอนนี้ใช้เงินหมดแล้วก็ต้องไปหาเงินก่อนหาเงินก็เหนื่อยกับการหาเงินวุ่นวายกับการหาเงินทุกข์ยากลำบากกับการหาเงินพอได้มาเดี๋ยวก็ไปใช้แล้วไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ ซื้อของเล่นใหม่ได้มากส็สนุกเดียวเดียววันสองวันก็เบื่อแล้วเก็บไว้ในตู้ไม่ไปสนใจมันนะลองไปหาของใหม่ๆมมาหลอกมาเล่นต่อนี่คือความสุขที่พวกเราหากันความสุขทางร่างกายต้องมีแต่ต้องเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายแล้วถ้าเงินหาไม่ได้ก็เดือดร้อน ถ้าไม่มีเงินใช้ซื้อความสุขต่างๆก็หงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการเลื่องไปหาเงินหาทองไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่ไม่มีเงินทองเพราะเราสามารถหาความสุขได้ตลอดเวลาไม่ต้องใช้อะไรใช้สติเพียงอย่างเดียว ใช้พุโทโธคําเดียวนี่แหละ <c oughs> ท่องพุโทโธไปทั้งวันเถอะแล้วรับรองได้ว่าใจจะว่างใจจะเยน็นใจจะสบาย <c oughs> เวลานั่งหลับตาใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขสุขมากกว่าได้ไปเที่ยวรอบโลกไม่เหนื่อยไม่ยากไม่วุ่นวายไม่ต้องเดินทางไปเสี่ยงภัยกับเครื่องบินตกเอก เ, อเวลานั่งเครื่องบินก็นั่ง ตอนนั้นนั่งนั่งเครื่องบินแค่ชอบพุโทโธกันในเวลาอื่นไม่ค่อยพุโทโธกันแต่พอนั่งเครื่องบินนี้พอเครื่องมันทําท่าจะลงเท่านั้นน่ยมันพุโทโธกันวุ่นไปหมดเลยเวลาไม่มีปัญหาหรือไม่พุโทโธกัน ม, มาหาพุโทโธกันดีกว่ามาสร้างพุโทโธกันแล้วใจจะมีความสุขจะพุโทโธได้ก็ต้องถือศีลแปลแล้วก็ต้องอยู่คนเดียว อย่าให้ใครมารบกวนถ้าอยู่บ้านแล้วมันมีคดคอยรบกวนมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะมายั่วยวนกวนใจเราก็หนีไปอยู่วัดดีกว่าไปหาวัดที่สงบที่ไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากการปฏิบัติธรรมว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมทาไปเรื่อยๆแล้วเราจะ มีความสามารถตอนต้นทำใหม่ๆอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเรายังทำไม่เป็นกัน mm hmm. เหมือนกับเวลาเราหัดพิมพ์ดีดใหม่ๆตอนต้นเราก็พิมพ์ไม่เป็นเราต้องค่อยหัดพิมไปไปเรื่อยต่อไปเราก็จะพิมพ์เป็นหรือขับรถใหม่ๆก็ขับไม่เป็นขับแล้วมันกรตุกกระชากแต่ถ้าเราหัดขับไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะขับเป็น พอกลับเป็นแล้วทีนี้สบายหรือพอขึ้นรถสตาร์ทเครื่องปั๊บ ก, ก็วิ่งไปได้เลยเวลาจะพิมพ์เดดนี้พอจับพิมพ์ดีดปั๊บ ก, ก็พิมพ์ได้เลยเพราะความชำนาญชั้นใดาการฝึกสติก็ต้องอาศัยความชำนาญต้องพยายามทำอยู่เรื่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆเราทำได้ทั้งวันเวลาเราตื่นขึ้ น, นมาลืมตาขึ้นมาล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ไม่ว่าเรากำลังทำภารกิจอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับภารกิจนั้นๆเราก็ห้องพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวเช่นถ้าเราต้องคิดบัญชีต้องวางแผนว่าจะทำอะไรต้องไปซื้ออะไรตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราคิดเสร็จแล้วเราจะไปทำตามถิ่นที่เราคิดเราก็พุโทโธต่อไป อย่าปล่อยให้ใจคิดวุ่นวายคิดกังวลคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็กังวลขึ้นมากังวลแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้สู้หยุดกังวลดีกว่าหยุดคิดดีกว่าทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วจะไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตายไม่กังวลห้ามได้ก็ห้ามห้ามไม่ได้ก็ต้องต้องปล่อยมันไป ทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ทำยังไงก็ทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่กันเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเดี๋ยวมันก็ต้องตายกันเดี๋ยวก็ต้องพัดพ่างจากกันเดี๋ยวคนนั้นก็ไปจากเราเดี๋ยวคนนี้ก็ไปจากเราห้ามไม่ได้ของพวกนี้ไปห่วงไปกังวลไปวิตก ก็ไม่ได้ทําให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรสู้มาทําใจให้สงบดีกว่าและเวลาเกิดการพัดผ้าจากกันนี้จะไม่เดือดร้อนเวลาแก่จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับตอนเป็นเวลาหนุ่มเวลาสาวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็เหมือนกันจะไม่เดือดร้อนถ้าทําใจให้สงบแล้วใจมันจะเฉยมันจะสบาย เพราใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมไม่ได้เป็นร่างกายแต่ความหลงมันมาหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกายพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยวุ่นวายเดือดร้อนไปกับร่างกาย ท, ทั้งที่ใจนี้ไม่มีวันตายใจคำพูดรานี้เปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล่างนะเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนทีไรก็วุ่นวายทุกครั้งไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายทันทีนี่วุ่นวายกันไปหมด เพราะความหลงเพราะความไม่รู้จักว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราและไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายเวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายเราไม่เคยมาฝึกมาเรียนวิธีปฏิบัติกับร่างกายกันเรามัวแต่ใช้ร่างกายชอบใช้ร่างกายใช้ร่างกายไปเที่ยวใช้ร่างกายเราไปหาเงินหาทอง ร่างกายเราไปหาความสุขต่างๆพอเวลาร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่ที่เราต้องการให้มันทําได้เราก็วุ่นวายใจขึ้นมาเรารู้จักใช้มันแต่ไม่รู้จัก ว, วิธีรับกับเหตุการณ์เวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายเราจึงต้องทุกกับร่างกายไม่ว่าจะเกิดมากี่รอบ ได้น่่งกายมากี่ร่างก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็วุ่นวายใจกันเดือดร้อนกันไปกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่เชื่อลองไปหาหมอดูหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดูซิว่าจะทำใจเฉยๆได้หรือเปล่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรต่างๆถ้าเราไม่ฝึกทำใจให้สงบนีน เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะสามารถทำใจให้นิ่งให้เฉยได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความเป็นความตายของร่างกายเราไปห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ ถ้าเราไม่ซ้อมไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะสอบตกเหมือนเด็กที่ไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือเวลาไปสอบก็สอบไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันตอนนี้แล้วพวกเราเป็นเหมือนเด็กที่ไม่ชอบทาการบ้านไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบไปเรียนหนังสือไม่ชอบไปศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ชอบนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทำการบ้านมาเตรียมตัวกันไว้ก่อนเนี่ยวันพระพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกว่าอย่าไปทะละทะลถลายไปไหนวันพระที่หยุดหนึ่งวันเป็นวันมาเรียนหนังสือวันวันมาศึกษาเพื่อรำคาสอนเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีรักษาใจของเราให้สงบให้ใจของเราไม่วุ่นวายไปกับ เรื่องราวของร่างกายหรือเรื่องราวของคนอื่นร่างกายของคนอื่นกับร่างกายของเราก็เหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันไปกังวลหรือไปห่วงไปวิตกก็ไม่ได้ไปห้ามหรือไปเปลี่ยนแปลงให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไปเดือดร้อนเปล่าๆสู้อยู่เฉยๆดีกว่าแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปตายก็ตายไป มันเป็นเรื่องปกติเรื่องที่เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีอะไรกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นเราก็ไม่ได้อะไรพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ได้อะไรร่างกายมันสุขภาพดีเราก็ไม่ได้อะไรร่างกายตายไปเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เสียอะไรเราไม่เคยได้อะไรจากร่างกาย นอกจากความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราได้นู่นได้นี่ได้มาแล้วก็หายไปหมดไปเที่ยวมาสามวันกลับมาก็หายไปหมดพอร่างกายตายไปของต่างๆที่เราหาได้จากทางร่างกายมันก็หายไปหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆและมีความสุขกับการอยู่ กับการตายเวลาอยู่ก็จะมีความสุขเวลาตายก็จะมีความสุขไม่เดือดร้อนจะรวยหรือจะจนก็ไม่เดือดร้อนความสุขทางใจนี้ไม่ได้ขึ้นกับความร่ำรวยหรือขึ้นกับความยากจนจะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือจะเป็นยาจบขอทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ารู้จักทำใจให้สงบแล้วสามารถมีความสุขได้ทุกคนแต่ถ้าไม่มี ถ้าไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบเราให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาราชาก็จะไม่มีความสุขก็ยังจะต้องมีความทุกข์ความกระโมความวุ่นวายใจอยู่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะต้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วจะต้องทุกข์จะต้องเดือดร้อนกันอย่างแน่นอน พวกเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่เดือดร้อนเราต้องมาวัดอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นวันพระวันนี้วันนี้มาถือศีลแปดกันมาหยุดการใช้ร่างกายหนึ่งวันให้ร่างกายมันได้พักผ่อนบ้างเรามาหาความสุขทางใจกันต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายเพราะต่อไปร่างกายของเรานี้เราจะพึ่งไม่ได้ เวลาล่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้จะหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานก็ทําไม่ได้ไม่อยากจะกินอะไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้กินอะไรก็ไม่อร่อยดื่มอะไรก็ไม่อร่อยงั้นแต่เรายังสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบล่างกายจะเจ็บก็เจ็บไปเราก็ทําใจของเราให้สงบไป พอใจของเราสงบเราก็จะมีความสุขนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันธรรมมสวนาวันพระขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางร่างกายปล่วางการหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันแล้วมาหาความสุขทางใจกันให้มาฝึกหาความสุขทางใจกัน ถ้าเรามาฝึกมาทำต่อไปเราก็จะทำได้พอเราทำได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะว่าถ้าเรายังใช้เครื่องมือหาความสุขอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาห า, หาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังต้องการหาความสุขทางร่างกายอีกเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่ แล้วก็มาตายใหม่มาทุกข์มาวุ่นวายใจกับการสูญเสียกับการพลาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไปนี่เป็น น, นี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักหาความสุขทางใจกันเราเลยต้องหาความสุขทางร่างกายพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะบอกให้เรายุติการหาความสุขทางร่างกายว่ามันเป็นการหาความทุกข์แล้วให้เรามาหาความสุขทางใจที่เป็นการดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของพวกเราและยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราพวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการมาวัดในวันพระมารักษาศีลแปมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบกันแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลตนารจัยและบุญกุศล